พระองค์เห็นปูรานามัคที่พระพุทธเจ้าในก่อนได้ทรงอนุญาตไว้จะเชื่อคำเดิมคำหลังก็ผิดเชื่อฟังไม่ได้ครั้นจะเชื่อฟังคำหลังคำเดิมก็ผิดเป็นสิ่งที่สงสัยอยู่อยังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกมีที่สุดเป็นสองเงื่อนอยู่นิมนพระผู้เป็นเจ้าโปรด ว, วิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้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 จักรวัติโนโมณีรัตนังวิยะเปรียบดุจแก้วมณีอันเกิดสำหรับบุญแห่งสมเด็จบรมมจอมจักรพรรดิราชผู้ประเสริฐครั้นสมเด็จบรมมจอมจักรพรรดิราชเสด็จลุ่งลับดับสูญสิ้นพระชนมายุแล้วอันดวงแก้วมณีรัตนนั้นก็อันตราฐานหายจากสถานที่นั้นไปสถิตซ่อนอยู่ที่ยอดเขาวิบุลบาลพศ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 บุรานมักนั้นก็อันตรท า, านหายลี้ลับอยู่ครั้นสมเด็จพระบรมครูเจ้าได้ตรัสสำเร็จแก่พระปรมาพิเศกสัมโพธิญาณแล้วบุรานมักนั้นก็มาปรากฏให้รู้ด้วยพระสัพพัญยุตยานปานประดุดแก้วมณีอันมาสู่สมบรมโพธิสมภารแห่งบรมจั ก, กรพรรดิราชฉันนั้นแลประการหนึ่ง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 จึงได้ปุราณะมักมาพระองค์ก็เป็นมัคคสามิโกเจ้าของแห่งมักเหมือนบุรุษผู้หักร้างถางป่าเป็นที่บ้านได้ชื่อว่าเป็นนายบ้านนั้นขอถวายพระพรก็ปุรานะมักที่ได้แก่พระอัฏฐังขิกามักทั้ง8ปดประการ น, นั้นคือสัมมาทิฐิถือสัมมาทิฐิหนึ่งสำ ม, มาสังกัปโป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 จบปัญจมาวัก